7. สัปปานะวัคหนึ่งสันจิตจะศึกขาบท171ถามภิกษุจงใจปลงชีวิตสัตว์ต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบภิกษุจงใจปลงชีวิตสัตว์ต้องอาบัตสี่อย่างคือหนึ่งขุดหลุมพรางไว้ไม่เจาะจงด้วยคิดว่าใครก็ได้จะตกลงไปตาย ต้องอาบัตทุกกฎ 2. มนุษย์ตกลงไปตายในหลุมนั้นต้องอาบัตปาราชิก 3. ยักษ์เปรตหรือสัตว์เดรัจฉานมีกายเป็นมนุษย์ตกลงไปตายในหลุมนั้นต้องอาบัตถุลจัยสสัตว์เดรัจฉานตกลงไปตายในหลุมนั้นต้องอาบัตปาจิตตีพิกษุจงใจปรงชีวิตสัตว์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 อุกโกตนะสิกขาบทภิกษุรู้อยู่หรือฟื้นอธิกรณ์ที่ตัดสินไปแล้วอย่างถูกต้องเพื่อพิจารณาใหม่ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังหรือฟื้นต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อหรือฟื้นเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสี 4. ทุทุลละสิกขาบท ภิกษุรู้อยู่ปกปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่นต้องอาบัติหนึ่งอย่างคืออาบัติปาจิตตี 5. อูณวีสติวัฏ ส, สิกขาบทภิกษุรู้อยู่อุปสมบทให้บุคคลผู้มีอายุย่อนกว่ายี่สิบปีต้องอาบัติสองอย่างคือ 1. กํากำลังอุปสมบทให้ต้องอาบัติทุกกฎ เพราะพยายาม 2. เมื่ออุปสมบทเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 6. เถยะสัทธาสิกขาบทภิกษุรู้อยู่ชักชวนกันเดินทางไกลร่วม ก, กันกับกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังเดินทางต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2.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 อริฏฐะสิกขาบทภิกษุไม่สละทิฏฐิบาปจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพจบสามครั้งต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งจบยติอาบัตทุกกฎสองจบกรรมวาจาต้องอาบัตปาจิตตีก้ 9. อุคิตะสัมโภคะสิกขาบทภิกษุรู้อยู่ ยังคบหาภิกษุผู้กล่าวตูอย่างนั้นผู้ที่สง์ยังไม่ได้ทำธรรมอันสมควรผู้ยังไม่ยอมสละทิฏฐินั้นต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังคบหาต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อคบหาแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 10. กันตกะสิกขาบทภิกษุรู้อยู่ ปลอบโยนสมนุตเทศผู้ถูกสงนาสนะแล้วอย่างนั้นต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังปลอบโยนต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อปลอบโยนแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสัพปานกะวัคที่เจ็ดจบ